ขอกาขาราบคารวะพระอาจารย์คณะสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมสำหรับการปฏิบัติในวันนี้ในการได้ดูเรื่องของเวทนาได้ทำให้ความรู้สึกว่าเวทนาเนี่ยเป็นเรื่อง เป็นหมวดใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องสัมผัสรับรู้อยู่ทุกขณะนะตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอนหรือเรียกว่าตั้งแต่เกิดจนตายเราก็ต้องมีเวทนาอยู่ตลอดเวลาสําหรับในวันนี้สิ่งที่ได้สังเกตในการปฏิบัติเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าคงจะเป็นวันที่2ที่สามมั้งมันก็เลย เมื่อ <laughs> มีแต่อาการปวดไปตามร่างกายในส่วนการเดินการการเดินการนั่งวันนี้มีแต่ความปวดเมื่อยแต่ว่าก็พยายามตามรู้ตามดูตอนที่เปลี่ยนอิริยาบถต่างๆแต่อันหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือว่าแม้ว่าจะมีความปวดเมื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่เวทนาที่เกิดขึ้นตามท า, ทางกายเนี่ย มันไม่มีผลในด้านของความรู้สึกที่ว่าไม่ชอบหรือว่าหงุดหงิดราคาญตรงนี้ไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราพยายามตั้งใจดูหรือว่าพย า, ายามใส่ใจในการปฏิบัติแม้ว่าจะไม่ชอบใจแม้ว่าแม้ว่าจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในความรู้สึกก็คือว่า เหมือนไม่มีเหมือนไม่เหมือนไม่มีสมาธิเหมือนไม่ได้สมาธิเหมือนเหมือนว่ามันไม่มันไม่มีความรู้สึกเบาสบายในการปฏิบัติแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือว่าแม้จะปวดเมื่อยร่างกายปวดไปทั้งตัววันนี้นะปวดไปทั้งตัวไม่ว่าจะนั่งจะเดินก็ปวดแต่ในขณะนั้นก็คือว่าไม่มีไม่มีความรู้สึกที่เป็นเวทนาเรื่องความหงุดหงิดมันจะไม่เกิดขึ้นมาอย่างบอกคือว่าเคาเป็นเพราะว่าเรามีสติพอจะมีสติตามรู้เท่าทันในจุดนั้น ความรู้สึกที่เป็นอกุศลมันจึงไม่เกิดขึ้นมาส่วนการเป็นก็นั่งก็มีแค่นี้แหละก็<笑><笑>คือแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดอันหนึ่งก็คือในขณะที่เปลี่ยนริยาบทที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่าเห็นการเปลี่ยนปแปลงในขณะทีอะ่อย่างเช่นขณะที่มันมันตึงนะมันตึงหรือมันแน่นหรือมันมันหนักมันปวดเนี่ยแล้วก็จะเห็นเวลาค่อยๆเปลี่ยน พยายามพยายามมองดูเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากหนักกายเป็นเบาอย่างที่ท่านเทวอาจารย์ท่านบอกก็พยายามก็พยายามตามดูรู้ตรงนี้ให้ให้ได้มากในนี้ในวันนี้ในส่วนของการฉันอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่ในส่วนตัวที่ได้สัมผัสในวันนี้ก็คือว่าการฉันข้าวในวั น, นววเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยมันจะมันจะต่างจากวันนี้อย่างวันนี้ก็คือว่า ในขณะที่ฉันไปในวันนี้เพราะวันนี้มีมีของโปรโดก็คือแกงเลียงในแกงเลียงมันมีทุกรสเลยมีทั้งความเผ็ดความร้อนความมันของเผือกความหวานของขมโพดตะลพัดก็เฝ้าสังเกตดูอาการของของเวทนาในรูปของอาหารที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ย ก็เกิดเวทนาในเรื่องของน้ำคืความอร่อยก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็มีอีกตัวหนึ่งที่เฝ้าสังเกตคือว่าณขณะนั้นนะ่ะซึ่งซึ่งไม่เคยเกิดเช่นนี้มาก่อนคือว่ามันได้มีความรู้สึกว่าอร่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าอยากจะกินฉันเยอะๆหรือว่า ไม่ไมห่วงไปว่าเอ๊ะมันจะมีอีกไหมอะไรมันนี่มีจุดนั้นขึ้นมาในในจิตใจมันคือมันอร่อยเฉยๆมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ว่าพออร่อยแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าอยากจะได้อยากจะฉันเยอะเยอะหรืออยากจะมีอีกวันหลังจะมีอีกไหมใจมันจะใจมันจะคิดไปตรงนู้นแต่วันนี้พอลองพฝสังเกตดูเนี่ยในขณะที่เคี้ยวไปเนี่ยได้สัมผัสรสชาติของอาหารมีทั้งหวานอ่อนนุ่มมีทั้งเย็นร้อนมีทั้งแข็งอ่อนละแข็งมีทั้งนุ่มมีทั้งอ่อนมีทั้งหวานมีทั้งเผ็ด ในขณะเดีกนก็มีความอร่อยเกิดขึ้นมาแต่ที่ที่บอกคือว่าอร่อยในที่นี้มันไม่ต่อเนื่องไปเป็นความชอบที่ว่าอยากจะได้เยอะๆ อ, อยากจะฉันเยอะๆจุดนี้มันในความรู้สึกตอนนั้นมันไม่มีนะมันจะเป็นความรู้สึกที่แปลกใ น, ในการฉันในวันนี้มันจึงเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่เมื่อก่อนที่เคยได้ศึกษาคือว่าในเรื่องของในเรื่องของอในเรื่องของ คำ ว, ว่าชอบชังที่ได้เคยศึกษาในเรื่องของอีซีสังวรว่ า, าระวังเวลาสัมผัสตาเห็นรูปหูฟังเสียงลิ้นรด ส, สัมผัสอาหารเป็นต้นระวังถูกความชอบชังครอบงําเมื่อก่อนนั่นกนะ็คื อ, คอมันเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกคอยคอยระวังคอยระวังแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะระวังตรงไหน นะพอบอกว่ า, เ, าเช่นว่าเราวางตาเห็นรูปนะเราจะระวังตอนไหนพราะตามราต้องลืมตลอดเวลาเมื่อก็เห็นรูปตลอดเวลาใช่ไหมแต่ในวันนี้พอพอเราตั้งใจว่ า, าจะเฝ้าดูเวทนาที่เป็นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหวานหอมอะไรก็แล้วแต่ในะขณะเดีวยวกันเนี่ยมันก็จะสัปัดในเรื่องของความรู้สึกที่ว่า ดีหรือไม่ดีเข้ามาแทนที่แต่ความรู้สึกที่ว่าชอบอยากได้ตรงนี้ในความรู้สึกนั้นมันไม่เกิดขึ้นมามันจะมีความรู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้มันที่เรียกว่าเฝ้าระวังไม่ให้ความรู้สึกที่มันชอบชังจะครอบงําคือนั่นก็หมายความว่าเรามีโอกาสนั่นก็หมายความว่าเรามีโอกาสสัมผัสหรือเสพรสอาหารได้สัมผัสสา ม, มารถเสพสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องได้แต่ระวังความชอบชังมันจะครอบงํา เพราะนั้นใ น, ในการฉันอาหารวันนี้จึงมีความรู้สึกว่าเป็นการฉันอาหารที่ได้ความอร่อยนะได้ความอร่อยด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีความรู้สึกตัวว่ากิเลสยรงไม่เกิดอันนี้ผมก็ใจส่วนตัวไม่ไม่ชอวัตถุกุศลอาจารย์คือคือมไม่มีไม่มีความว่าคือชอบอยากได้ถูกใจเหลือเกิน แต่มเป็นความอร่อยในเรื่องของของรสชาติของอาหารที่มันที่มันที่ ท, ที่มันสัมผัสเพราะการเคี้ยวแล้วมันก็เกิดลดขึ้นมาตรง น, นั้นน่ยมันมีความรู้สึกว่าตรงนี้คืออร่อยมันจะบอกอย่างนี้ชเองนะมันจะบอกลักษณะอย่างนี้แต่ที่มีคำหนึ่งอยากจะถามอาจารย์ที่คุณปิงพูดเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอตอนตอนที่เราฉันหรือว่าสัมผัสอะไรก็แล้วแต่การที่จะทําให้รู้สึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยกับการเพ่งเนี่ยสมมุติเราเคี้ยวเนี่ย เขียวเขียวเียวเขียวรู้เฉพาะตรงนี้มันจะเป็นการเพ่งหรือเปล่าถ้าบอกว่าเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราเคี้ยวไปแล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจับช้อนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นอาการเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าเรากาลังทำอยู่นนขนขณะที่สติก็รู้ว่ากาลังเขี้ยว แต่ในขณะเดียวกันคืสมชาติก็มีความรู้ตัวตัวพอว่าณนะตอนนี้เรากําลังทําสิ่งนี้อยู่ใช่เลยไหมครับอาจารย์อาจารย์ภาษาพิค <c oughs> อร์มอนพิคร์เรอันนี้เรา <c oughs> ทําการศึกษานะคือต้องศึกษาในสิ่งที่เราทำทำในสิ่งที่เราศึกษาคือความจริงแล้ววันนี้ผมก็ทําเรื่องนี้เหมือนกันได้ประสบการณ์คล้าคล้ายกัน ่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องว่าการอ า, อาหารเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ เ, เกิดอาสวะเกิดกิเลสได้ง่ายพุทธเจ้าถึงได้ตั้งให้พิจารณาถึงสามสามวาระด้วยกันนะในเรื่องของปัจจัยสี่เนี่ยมีอาหารด้วยว่าก่อนที่ะรับประทานให้ท่านพิจารณาว่าอันนี้เป็นเป็นธาตุนะ ตามธรรมชาติขนาดที่ฉันอยู่ท่านก็ให้พิจารณาให้ละเอียดของขณะของการเคี้ยวขนาดของการกลืนขนาดของการหยิบขนาดของการาดูอาหารนั้นๆให้พิจารณาโดยแยกคลายพอฉันเสร็จแล้วท่านเก่งว่าในขณะที่ฉันเนี่ยจะดื่มไปบางช่วงท่านให้พิจารณาซ้ําลงไปอีกที่เราพิจารณาเมื่อกี้อชมายาว่าอาหารใดที่เรา ฉันแล้วไปเมื่อตะกี้นี่ไม่ทันพิจารณาขอพิจารณาอาหารานั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะก่อนฉันขณะฉันแล้วก็หลังฉันให้พิจารณาถึงสมวาระด้วยกันคือท่านเห็นความสําคัญตรงที่ว่าในอาหารเนี่ยมันมีคําว่าอาสาธ่อยู่อาสาธ่นี่ว่าความอร่อยาอาสาธ่เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นอาสาธ่าทางกายความอร่อยทางกายที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยขเขาเรียกว่าเป็นรสที่เกิดโดยธรรม นะหมายความว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีอาศะาธาตุเนี้เป็นตัวเชื่อมต่อให้ธาตุสี่ภายนอกนดินน้ํำลมฝ่ายภายนอกเชื่อมต่อกับธาตุสี่ภายในให้ติดโดยมีอาส า, าตุ เ, าาาาาเป็นตัวเชื่อมถ้าหากไม่มีอาสาตุเป็นตัวเชื่อมเนี่ยคนจะไม่อยากอาหารอาหารจะไม่มีรสชาติแล้วชีวิตเนี้มันจะโสนึงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาสธาตุที่เกิดโดยโดยธรรมเนี่ยหมายถึงว่ามัน นำให้ธาตุสี่ภายนอกธาตสิภายในเข้าหลอเลี้ยงซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นธรรมไม่เป็นกิเลสนะแต่อาส า, าต t ตัวนี้ถ้าหากว่าเราขาดสติในการพิจารณาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่จิตเป็นอาสาต tha จงริตตรงนี้ก็จะเป็นจากอาสัต tha มันกลายเป็นอราคะคือความชอบใจความพอใจนะเพราะว่าตัวตัวนั้นจะเป็นกิเลสละอส า, า, าต t ตัวนี้จะแปลงเป็นกิเลสตรงที่ว่า เราไม่ทันพิจารณาให้พิจารณาซ้ําอีกทีหนึ่งอร่อยกับชอบมันจะเป็นยังไงอ๋อไม่อร่อยนี่เป็นอาสาทะแต่ชอบนี่เป็นลาคะเราก็อ <c oughs> อลองแยกตรงนี้ เ, ออเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอร่อยทางใจนี่เป็นประสาทะถ้าอร่อยทางอาหารนั่นเรียกว่าเป็นอ า, า, าออสาทะศรัทธาประสาทะใช่ไหมเคยได้ยินคานั้นไหม อ, อ, อร่อยทางคือคือมีปิติในการทานเนี่ย ว่าเเราได้พิจรารณาเห็นความอร่อยแล้วเกิดปิติตรงนั้นเกิดประสาทะในการที่จะพิจารณาอาหารโดยแยบคายประสาทะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราลืมสติตรงนั้นจากประสาทะเนี่ยมันจะกลายเป็นราคะในอาหารคือชอบใจเราก็เกิดนึกถึงภาพอาหารอร่อยต่อซึ่งจุด น, นี้ผมก็อยากแชร์ของผมนะวันนี้ผมลองทานดูตรงไม่ทนัน อ, อาหารดูมาทานพวก เขาโพดพวกเผือกพวกมันดูก็รู้สึกว่าเออมันมีอา ส, สาท่าดีแต่เผอแฟบเดียวเนี่ยตอนฉันเสร็จแล้วมันไปเห็นไอขน้ขนมกลมๆลูกหนึ่งเขาเรียกอะไรนี่ขนมอะไรไข่หงไขหง่ขห่านนี่น ะ, ะไปฉันตัว น, นั้นเข้าได้ได้เรื่องเลยวันนี้เกิดลาค่านิดหน่อยไปฉันไข่หงเข้าเพราะว่ามันมีแป้งเยอะไหม มาทําให้หนักให้ง่วงมากเลยแต่จริงๆชั้วฉันชุดแรกที่เป็นเผือกเป็นข้าวโพดเนี่ยคงไม่มีปัญหาเนี่ยแต่พอไปเจอข้าวข้าวหุงนิดหนึ่งแล้วก็ขนมขยะนิดนึงมีแป้งเยอะก็ทําให้ร่างกายนี่หนักและง่วงเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยความพอใจแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวขาดการสังวรขาดการสํารวมในอาหารขาดโปรไชนีก็จะทําทให้เกิดอาการหนักง่วงหนืดเหนียว แล้วก็เราจะต้อง อ, าอยากจะหลับอยากจะนอนก็เลือกเป็นการเมาเมาอาหาราตรงนี้กับพุทธิจาท่านว่ า, าเร็วเมาเนี่ยเมาเมาเป็นแถวเลยวันนี้อาหารเยอะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งในการเมาอาหารจะต้องท่นบอกว่าการเมาอาหารเราจะนอนเหมือนหมูเลยเหมือนหมูนี่นอนแกลกิ้งไปเกลี้ยกลิ้งมาวันนั้นจะเป็นเป็นอาสวะที่เกิดขึ้นต่อเ น, นื่งก็จะทําให้เป็นอุปสรรค การทานอาหารแบบนั้นการทานอาหารท่านว่าไปหลายรูปแบบที่จะพิจารณาซึ่งจะไม่เสียเวลาวิเคราะห์ตรงนั้นนะเอาต่อไปคุณลืมเอาทางนู้นก่อนนะผู้ผู้ใหญ่ลดมีอะไรจะแชร์ไหมวิเคราะห์ไหมวันนี้เออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ผู้ใหญ่ลดแชร์เมื่อวานไม่ได้แชร์โอเคครับ ในออขอเดชะพระอาจารย์ทุกองอที่วันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงเวทนานะแต่ทีนี้คนนอยบอกเข้าใจแบบที่ว่าจิตและก็อันน จิตของเราเนี่ยกับอันไม่อย่างที่ว่ายกตัวอย่างว่าที่ว่ามีคำในขนอยอยากได้นะ่ะความโกรธความโลภความหลงอันนะั้นนะมันพัวพันกันไหมติดห้อยกันไหมกับที่ว่าน่ะอะไรนะถ้าเราอยากได้ที่ว่าไอ้นี่นะใครเป็นผู้สั่งจิตไหมทีว่าเป็นที่ว่สมองอยากได้นะ่ะเพราะน่มีปัญหาเลย่นี้ หรือว่าโกรธใครมาอยากตีอยากฆ่าแบบนั้นนะใครใครใครเป็นเป็นผู้สั่งกันจิตไหมหรือว่าความโกรธหรือว่าอ่าตัณหาวหรือว่าสติอะไรนะั้นนะอยู่ที่นั่นแหละเขาเนีอยนะวุนวายอยู่ที่นั่นแหละสมมติว่าอยู่ในครอบครัวนะลูกเมียอะไรลูกยังพูดกับไม่ถื่อใจไม่ไม่เอาไหนเลยแหละ เราจะทำอะไรไม่ใครเป็นผู้สั่งการจิตไหมหรือว่าความโกรธความโลภอะไรยอยู่ทั้งนั้นไหมอย่าไปต้ อ, อ, อตงการเนี่ยต้องถามว่าพ่ อ, อยหญรถเคยขับรถบ่ <c oughs> เคยขับนะถ้ารถมันถ้าเราไม่ขับ ถ้าเราไ ม, ไม่มีโซเฟอร์เนี่ยรถมันจะไปเองได้ไหมรถมันมีพร้อมทุกอย่างมีเครื่องมีน้ำมันมีอะไรพร้อมทุกอย่างนะเ ร, เราบอกอ้าไปแล้วมาเนี่ยมันเราสั่งมันนมันจะไปได้ไหมนนใช่ไหมรถนี่เปรียบเสมือนในส่วนกายทั้งสมองทั้งหัวใจทั้งอะไรอยู่ในนั้นหมดแต่มันทางานเองไม่ได้แต่คนขับเนี่ยคือตัว เหมือนกับนามคือจิตวิญญาณของรถคือคนขับไม่ใช่เครื่องรถเครื่องรถ ด, ด้ยสมองแต่ถ้าหากว่าคนไม่ขึ้นไปขับเนี่ยมันไปไม่ได้เหมือนกันร่างกายเนี่ยมันจะทํานู่นจะขี่ข้าถ้าขี่ตีบวยหรือไปทําร้ายอะไรร่างกายใครถ้าจิตวิญญาณไม่สั่งเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นที่สงสัยว่าเอตัวที่ มันไปทำอะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นผู้สั่งสมองสั่งหรือใจสั่งใช่ไหมถาอย่างงี้นะคือใจสั่งแสสมองทาตามที่ใจสั่งเหมือนกับคนขับรถเนี่ยพอหมุนกุญแจปับ๊บเป็นคำสั่งแล้วใช่เครื่องติดเพราะเครื่องติดรถก็กไปตามที่ต้องการเพราะนั้นคน น, นเหมือนวิญ ญ, ญาณของรถแต่เครื่องของรถถึงแะเป็นสมองมันจะไม่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อไม่คนไ ม, ไม่ไม่มีสั่ง เพราะนั้นตัวสมองกับจิตจะทำงานร่วมกันเหมือนรถกับคนขับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสมองแต่ทางตะวันตกจะถือเรื่องสมองเป็นหลักว่าสมองสั่งแต่ความจริงสมองสั่งไม่ได้จนกว่าใจมันจะเข้าไปสั่งใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจครอบทุกอย่างเพราะนั้นท่านจึงฝึกที่จิตไม่ต้องไปฝึกรถรถในชงเขาทาสาเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะเราจึงฝึกที่ใจของเรา ฝึกสมองฝึกจิตของเราเพราะจิตมันจะสั่งฆ่าใครก็ได้จะสั่งเมตตาใส่รักสั่งรักสั่งชังใครก็ได้แต่กายเนี่ยที่สมองมันรักมันชังคนไม่เป็นหรอกแต่จิตของเราเนี่ยที่ดูแลร่างกายเนี่ยท่านจึงให้ฝึกตัวนี้เ น, นี้สติสมาธิปัญญาหรือโล ก, กูหลงจะมีบทบาทต่อจิตก็ถ <c oughs> ือว่าว่าจิตเนี่ย <c oughs> มีวิชาหรืออวิชาเพราะนั้นเราจึงมาฝึกฝนวิชาเพื่อที่ให้ จิตของเราเนี่ยสั่งร่างกายทําในทางที่ถูกทุกจะไม่เกิดใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกร่างกายให้เกิดวิชามันเป็นอวิชญาจิตนี้มันก็ไปตามาฐานเดิมของเขาคืออวิชญาจิตนี้ก็จะสั่งด้วยอวิชญาสั่งด้วยความรบกวดหลงร่างกายนี้ก็จะลําบากเป็นทุกข์เพราะนั้นเรามาฝึกเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวอวิชญาให้เป็นวิชาเท่านั้นเอง ถ้าเปลี่ยนเป็นอภิชาทั้งหมดได้สําเร็จร่างกายนี้ก็พอได้สบายเพราะจิตใจเป็นผู้รู้ถูกต้องสั่งถูกต้องใช่ไหมหลวงพอ่อที่ว่ามันเกาะห้อยอยู่กับอารมณ์อ่ะจิตเราเนี่ยมันเกาะห้อยอยู่กัอารมณ์ที่อารมณ์มันบงการอะไรนะจิตมันไปนําคืออะไรฝริดอดลองตบมือดิลองตบมือแรงๆดิตบอ่า ถามว่าเสียงตัวมือเกิดจากมือข้างไหนอ้าวลองตบข้างขวาดิลองตบข้างขวาดิไม่ไม่ตบข้างเดียวดิตบข้างเดียวด็ดไม่ไม่ตบข้างเดียวอย่าไปตบสองข้างตบข้างเดียวเอาไม่อย่ามือซ้ายดิเอาไม่มือข้างเดียวตบอย่าไปมือซ้ายใส่เอามีเสียงไหมอ่าเอามือซ้ายจบดิ มีเสียงไหมอ่านันมันห้อยอยู่ที่ไหนเสียงอน่ยมันห้อยอยู่ที่มือหรือห้อยอยู่ที่ไหนเสียงมันเกิดจากที่ไหนนั่นแหะคําถามโยมก็เหมือนว่าเราคิดตรงนั้นใจมันห้อยอยู่ไหนก็มันไม่มีที่ห้อยมันเกิดจากการกระทบนั่นแหละเมื่อการกระทบไปเกิดกรรม กรรมเกิดข <là> ึ้นเพราะการกระทบเสียงเกิดขึ้นเพราะมีกรรมคือการกระทําใช่ไหมการกระทบแล้วก็การกระทบที <h ans man> <ING> ่สมเหตุสมผลท่านใช้ก็เหตุปัจจัยมือข้างนี้เป็นเหตุมือข้างนี้เป็นเหตุมือสองข้างเป็นเหตุกระทบกันจี่เกิดปัจจัยคือเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็หูรับฟังเกิดโสตวิญญาณใจรับรู้เกิดมโนวิญญาณแล้วบัดเสียดเอาไ็้เสียงอันนี้เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรห้อยอะไร แต่เพราะความเกิดพร้อมของเหตุปัจจัยตัวนี้คือความละเอียดที่คนเข้าใจยากเรามักจะไปเอาตัวที่สิ่งที่เกิดแล้วมาสรุปแต่ความจริงสิ่งที่เกิดแล้วมันผ่านเหตุปัจจัยตั้งหลายตัวแต่เราไม่มีสติปัญญาตามทันไงเพราะนั้นไม่มีอะไรห้อยอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเข้าใจมอ้าวต่อไปยืมเล็กวิจัยต่อ ขาดสตมนงงขาสติกราบมัสการครูบาจาทุกท่านค่ะคือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าที่ปฏิบัติมาวันนี้ตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นเลยตั้งแต่ตื่นมาแล้วก็ออกกำลังกายก็ทำความรู้สึกตัวไปเลยพร้อมกับการออกกาลังกายคือเวลาออกกำลังกายก็รู้สึกถึงอาการหนักตึง ขาตรงไหนแล้วก็จะสังเกตอาการอย่างนั้นไปเฉยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งสวดมนต์ก็สวดได้เสียงดังเหมือนเดิมรู้สึกว่าเพราะมันมีความสดชื่นอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นมาแล้วก็ไปทำกับข้าวกา็ประคองความรู้สึกตัวไว้หลังจากทานข้าวกับเข้ามานี่ก็ก็มีการปรับเวทนาอย่างที่อาจารย์ให้ ให้ทําอะค่ะก็คือเวลานั่งถ้ารู้สึกไม่สบายมีอาการหนักโยมก็ค่อยๆก็คือนั่งสักพักหนึ่งดูว่าเราทนไหวไหมก็ถ้าทนไม่ไหวโยมก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนให้เป็นเป็นอาการที่จะมีสระเบาขึ้นก็ทำอยู่อย่างนี้ยค่ะสักพักหนึ่งจิตมันก็รวมลงพอจิตรวมลงมันก็ อ, อ จะมีแต่ความรู้สึกตัวเฉยแล้วก็จะเกิดความรู้สึกเบ า, เา ย, กยกมือเบาช่วงนั้นเนี่ยจะรู้สึกกายเบาใจก็เบาตอนเช้าเนี่ยลักษณะของกายใจเนี่ยมันโดยเฉพาะกายเนี่ยจะเบามากแล้วก็ใจก็รู้สึกเบาไปด้วยระหว่างยกเราก็จะมีสนษณะว่ามันจะเป็นตัวรู้ลๆๆ้วนแต่มันก็ยังมีความรู้สึกอยู่มีเวทนา ที่เกิดขึ้นในกายเราอยู่เนี่ยค่ะแต่ก็มันไม่สามารถที่จะมากระทบถึงใจเราได้เออวทนามันค่อนข้างบางเก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งก็ได้อารมณ์ดีจนกระทั่งถึงเวลา1ิเอ็โมงกว่าก็ออกไปดูอาหารระหว่างเดินไปก็สมมติความรู้สึกตัวนี้จะอยู่กับการเดินออกจากที่นี่ไปเยอะแล้วก็ตีอาหารก็จะพยายามทำความรู้สึกตัวกับอริยบทย่อย หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างทานข้าวเนี่ยจำได้ว่าหยิบกล้วยมาทานแล้วเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวจนกล้วยเนี่ยเป็นน้ําแล้วค่อยกลืนลงไปไม่เคยไม่เคยทานกล้วยจนเป็นน้ำค่ะสมมติว่าจะเคี้ยวเคี้วเป็นชิน้นแล้วก็กลืนครั้งนี้รู้สึกว่าแบบเคี้ยวล ะ, ะเอียดจนเป็นน้ําเลยก็เลยมีความรู้สึกณนะจุดนั้นมาว่าวิเคราะห์ทีหลังว่า ก้วยมันก็มีธาตุน้ำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางลงไปแล้วก็ก็มีความสุขว่าอยากรับประทานแห น, ม, แนมสดก็เลยเดินไประหว่างเดินไปนี่เนื่องจากว่าตรงนั้นอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ค่ะไวไฟแรงสติตั้งเลยตอนนั้ น, นคือแบบว่าหยิบช้อนขึ้นมาที่รู้สึกตัวแล้วก็เท้าเนียยืนกับพื้นนี่มีความสึกแข็งนี่คือมัน คือเรามีความระมัดระวังเต็มที่เพราะว่าใกล้ครูบาอาจารย์ตรงนั้นนะรู้สึกวาย i ายแรงมากแล้วก็เดินกลับมาก็นั่งคุยกับเพื่อนบ้างก็ยังมีความรู้สึกตัวอยู่นะแต่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยกลับเข้ามาแล้วนั่งปฏิบัติต่อตั้งแต่บ่ายโมงชั่วโมงแรกก็ยังรู้สึกว่าทุกครั้งที่เริ่มปฏิบัติมันก็เหมือนกับการขับรถที่มันต้องมีการเข้าเกียร์หนึ่งสอสามคือมีการปรับความสมดุลอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือ จริงๆแล้วพอปฏิบัติไปสมมติว่การปรับความสมดุลนี้มันมีความสําคัญมากพอเราปรับไอ้ความสมดุลให้มีลักษณะเป็นกลางๆปั๊บเนี่ยจิตมันรวมทันทีจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันแต่ว่าพ อ, อประมาณบ่ายสองครึ่งถึงสาเนี่ยช่วงนั้นรู้สึกหนักมากร่างกายหนักแล้วก็เพียพยายามสู้กับมันนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวสื่ว่ากระหายน้ําแล้วเพราะว่ามีข่าวสื่ว่าเหมือนแพ้ผมชูรสก็ไม่ทราบว่า อาจจะเป็นเพราะแหนมันมีผงชูรสนะคะก็มีความสุขกัหายน้ำแล้วก็รู้เลยถ้ามีอาการอย่างนี้คือแพ้ผงชูรสแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หุดหงิดไปกับมันนะคะก็คือเห็นเป็นอาการเฉยๆรู้ว่าเป็นอาการทางกายเป็นครั้งแรกของวันนี้ที่รู้สึกว่าเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอาการทางกายมากขึ้นแล้วก็ก็สู้กับมันไปจนถึง ส, สี่โมงครึ่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามนั่งยกมือปฏิบัติมันก็อืดอือชา้ชาช้าหนักหนักมือหนักน ก, กายก็รู้สึกว่าก็พิจารณาไปอีกว่าอครั้งตอนบ่ายเนี้ยรู้สึกมันหนักมากมันเหมือนถ้าจะพิจารณาเป็นาธาตุก็คือเป็นาธาตุดินที่มันเด่นชัดขึ้นมาในในในตัวโยมันนี้ตอนบ่ายเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากก็ไปอาบน้ําทําอะไรหลังจากนั้นกลับมานั่งตอนเย็นเนี่ย ถึงแม้จึงมีความเพียรความหนักแต่ก็พยายามสู้กับมันแต่ปรากฏว่าจิตรวมขึ้นไปอีกกลายเป็นสติที่ตั้งมั่นขึ้นมาซึ่งมันตั้งมั่นเด่นขึ้นมาอย่างนั้นเลยแล้วก็มันจะเป็นอยู่อารมณ์เดียวเลยอาจารย์คือตอนเย็นเนี่ยคิดว่าน่าจะได้อารมณ์ดีมากกว่าตอนเช้าสิถึงแม้มยังมีความหนักอยู่แต่มันจะได้เป็นอารมณ์เดียวนิ่งสงบของมันแต่ยังมีความรู้สึกตัว ตอน น, นเนี่ยโยมจะยกมือช้ามากคือการยกมือของโยมเนี่ยจะเป็นในการช่วยให้ประคองจิตให้มันตั้งมั่นได้นานเท่านั้นเองแล้วก็ยังเห็นอาการทางกายที่ที่มีอยู่แข็งเห็นอาการแข็งตึงอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่แต่เวทนาเนี่ยถามว่ามันจะเจ็บเข้ามาถึงใจมันไม่มีเลยอะ่ะมันจะไม่มีอารมณ์อะไรที่เข้ามากระทบถึงใจได้ณนะตอนนั้นหรือแม้แต่เสียงเนี่ยคนเปิดประตูคนอะไรเนี่ยก็จะไม่รู้สึกอะไรก็ มันก็ไม่รู้สึกว่าหงุดหงิดหรือลำคางก็รู้สึกเฉยๆแบบไม่กระทบมาถึงใจแล้วก็คือตั้งมั่นอยู่กัการดูแม้แต่แลักษณะของการตั้งมั่นมันก็เป็นอาการเฉยๆนะคะรู้สึกว่ามันเป็นอาการของความตั้งมั่นเฉยๆแล้วก็นั่งดูอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งค่ะจนกระทั่งได้ยินเสียงาำคางก็ค่อยๆอคลายออกมาแต่ก็ระหว่างเดิอนอะไรก็รู้สึกพอออกมาแล้วถึงไม่ได้ยกมือไม่ได้อะไรก็ยังมีความสูงมันเป็นปกติ ในระหว่างเดิน e, หรืออะไรเงี้ยรู้สึกมันมีความเป็นปกต İ, ิสบายๆแล้วก็พอหลังจะออกมาแล้วก็ยังมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนเมาเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าเมาผงชูรสอะไรยังยังเป็นอยู่ค่ะค่ะในจุดนี้ที่ทานอาหารเนี่ยทางที่เก่าแล้วว่าถ้า เราทานท้อาหารเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเพราะเป็นเขรียเราเป็นอะไรเป็นตัวทําให้เกิดรสชาติเนี่ยทำให้ดีถ้าทานด้สมาธินะทําให้อาหารนั้นแม้แต่ของนั้นไม่มีคุณค่าอาหารแต่ก็จะมีคุณค่าเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเราเคี่ยวอาหารนานนไซม์มันจะเกิดใช่ไมเอนไซม์เกิดแล้วทาให้อาหารนั้นเกิดคุณค่าขึ้นแต่การที่กินอาหารอร่อยอาหารลูกๆเนี่ยไม่เกิดเอนไซม์ตรงนั้นอาหารก็จะ ไม่มีเขาเรียกว่ามีคุณค่าอาหารหนั้นตรงนั้นแต่ว่าไปเสียท่ากินไติงเหลือไปเห็นแหนมน้งนตรงนั้นราคาเริตืนดเราแรกเริ่ก็าคนก่ยได้รดอาหารได้ธรรมะได้ถนั้ น, นอพอควบคุมอิจตนะไม่ทานเไปเห็นแหนมแต่ควบมมองเอาไว้ก่อวันนี้แหนมเพร่ะเราเอาไ ว, ว้ก่อนแล้วนะมาถือว่าวันนี้ทานผักเยอะก็เลยอาแหนมหน่อย เลยเป็นคนโตแนวทีหลังเป็นโทษเป็นเรื่อนเลยนะทีนี้ในส่วนช่วงวัยอมาดูหลายคนคงจะเป็นเหมือนไปหมดเรื่องอากาศอากาศหนักช่วงแบบฝนทำหลับเนี่ยถ้าฝนจะตกอากาศมันจะหนักความกดอากาศต่ำมากนะความกดอากาศต่ำก็ทำให้เรารู้สึกมาก็รู้สึกงั้นพอเป็นหนักนั้นเอามาเลยออกไปเข้าหน้ำแบบพอง กลบมานั่งวันนี้ได้อรมณเลยเพราะนั้นไปเปี่ยนอรมณกลับมาได้เลยใช่ห่หลังเนี่ยอันนี้สาคัญเพราะนั้นนีการปิี่อรมเนี่ยอาจารย์สงการมันให้าจารการบอกผลมวยมากแล้วควกอากาศมีส่วนแต่ว่าเราจะพยายามปรับองีมันมันก็ไม่ออกเพราะว่ามันมันอยู่เรการควบุของเรากรรมจิตอุตุอาหารเนี่ยสีอย่างเนี่ยที่มันมีผลต่อร่างกายกรรมจิตอุตแต่วันนี้ที่เรามีปัญหาเ่อุตอาหารอาหารเยอะราอาหาร อร่อยอย่งงอางอา ก, าการความกดดันของบุรการทุกท่านตามไม่สุงแล้วก็ที่มันมีผลต่ออารมณ์ของเราหนักมากลักษะ น, นั้นจะต้องช่วยมันหรือต้องเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนอารมณ์หรือจะเปลนกิจกรรมก่อนเพื่อให้ออกไปสถานที่ตรงนั้นอา ก, กาศที่ทุกท่านมันความกดดันพอไปสักพักกลับมาใหม่จะไม่ได้อารมณ์เพราะนั้นวิธีการปรับเปลี่ยนต้งสังเกตอาจารย์สงการที่ที่แชร์มาตอนแรกคือว่าวนี่หนักมากเลยรู้สึกมันปวดเมื่อยมาก แต่ถ้าปรับสมดุลอย่างที่คุณเล่าว่านะก็เกิสมดุลข้อที่ป้อมมันจะเกิดการรวมรวมใช่ัหมใช่ค่ะละักษณะการรวมรวมภาษาบาลีเขาใช้ว่ามรสมงคีมันเกิดความสมดุลระหว่างสีจะไม่ปัญญามนสมุคีกันมันก็จะเป็นช่วงสั้นๆแต่ถ้าสมมุติเราประคองตัวสติสมัมาญาติเราได้นานมรสมาคีเราถึงจะทำให้เราได้อารมณ์ต้องได้หลายครั้งได้หลายๆชุดจิตเพราะชุดจิมีกำลังเพราะว่าตัวราก ของสติดชิมญาตมันมีโอกาสได้หลังยดหลังรากลึกเพราะว่ามักสัมคีหรือวาเดือดข้างมันกระฝนตกทำให้ดิดุนซุยรากไม้ก็จะยังไปหาธาตอาหารได้ได้ลึกต้นไมก็จะเติบโตจีของเรามั่ว่ามันเกิดความสนุนแล้วเกิดมักสมคีแล้วรากของสต็ดชิมญามีโอกาสได้อย่างลึกและรากสต็ดชิมญาติยังทึกยาญญาก็จะเติบโตเราใจ่ะไป การนมัสการครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะจนเช้ามาวันนี้รู้สึกดีกว่าเมาื่อวานนิดนึงก็คือเบาเบาแบบมันรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างที่พระอาจารย์ว่าเมาื่อวานนี้แต่มันเบาคือไม่คือมันไม่ได้รู้แบบมันรู้ตัวแต่มไม่รู้แบบรู้แบบชัดชัดชัดชดนะแต่คือรู้แบบเบาเบก็ก็ไปเรื่อยๆจนพระอาจารย์บอกว่าให้ดูเวทนาเท่านั้นก็ปวดท้อง อย่างที่ที่พยายามจะสู้กับมันแล้วต้องมาฟุบตรงนี้แล้วพระอาจารย์เดินมาบอกว่าให้ยืนใช่ไหมนี่คือตอนนั้นคือมันสู้ไม่ไหวพรทีนี้พอบอกให้ยืนพอยืนทําก็คือดีขึ้นก็คือมันก็ดีขึ้นก็กลายเป็นว่าก็มองก็ดูอาการเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบทเรียนไปว่าถ้ามันปวดก็ดูซิจะมีความรู้สึกยังไงก็มันจะมีการปวดท้องร่วมกับการปวดเนือปวดตัวคือคล้ายๆกับพระอาจารย์สงการวันนี้คือ ขาปวดอะไรพอพอเดินไปเดินมาเนี่ยพอเห็นการปวดขาที่ไม่ใช่ปวดท้องนะก็รู้สึกดีใจคือคือรู้คือรู้รู้สึกดีใจขึ้นมาลอตัวภาควะฉันดีใจเนี่ยมันตามมาทีหลัง<อ>แต่ความปวดท้องมันหายไปคือเห็นดีใจขึ้นมาคือพอปวดขาปุ๊บดีใจเนี่ยก็คือเห็นเห็นตัวดีใจลอยขึ้นมาแต่แต่ยังภาคอยู่แต่ตัวภาคตามมาทีหลังว่าอ๋อฉันดีใจคือรู้ขึ้นมาก่อนพอเดินเดินไปอีก อาการปวดท้องมันจะเหมือนเข็มแทงอะ mm hmm. พอพอเดินปุ๊บพอรู้สึกเข็มแทงปุ๊บนิ่มหน้ารู้ไม่ทันอ้าคือคือการเป็นว่าพอดีใจคือคือการการดีใจที่เห็นการเจ็บปวดเนี่ยจะรู้ก่อนแต่แต่อาการที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดเนี่ยจะดูไม่ทันจะดูตามหลังทุกครั้งเลยคือจะเป็นอย่างนี้ปนเป็นโรคประจําจตัวค่ะคือ ชอบเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นบ่อยๆก็ต้องไม่เครียด <laughs> ต้องมีก็มียามียาในการตัวกุ้ยน้ำปลาหรือกล้ยหอม เคยเป็นโรคกระเพะแล้วก็คือเนี่ยคือเป็นผลข้างเคียงของเป็นหรือไม่เป็นอยู่ตรงเนี้ค่ะยังตอนเช้าตอนเช้ายัางมีจบพอสิบโมงนี้คือทั้งง่วงทั้งเบือ่อทั้งแรงคือแบบไม่ไหวแล้วทำคือมาคือมาบอกว่ามาแบบว่าจะเอาให้สุดให้ได้ก็เอสทีป่ะคะไม่ได้ผลก็เลยด่าดตัวเองบอกว่าแล้วเธอจะมาทําไมสู้ ก, กับมัน แล้วเธอจะมาทําไมก็ยังด่าดตรงนี้เธอเธออยากมามากเธอต้องสู้กับมันแล้วก็พอดีพระอาจารย์ประสานบอกว่ามือสุดท้ายหรือหายใจลมเพืี้สุดท้ายเอาเลยเนี่ยฉันต้องสู้กับเธอก็สู้กันอยู่ตรงนั้นนะฮะสู้จนสู้จนตื่นโพร่งเลยจากสิบโมงที่ตรงนั้นเนี่ยคือแบบว่าฉันต้องเอาเธอให้อยู่สิบจนถึงไปทานข้าวเที่ยงเนี่ยคือตื่นตลอดคือแบบว่าจากที่ยืนตรงเนี้ทําจนแบบว่าตื่นขึ้นมาได้สว่าง ตอนบ่ายก็เจอไข่หงช่วยไหมมาไขหงคือมันคือตอนบ่ายเนี่ยพอทานกับข้าวกับเขามาไม่มีอะไรจนบ่ายสองช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่คือแบบเดินยังจะหลับแล้วคือพยายามพยายามจะเดินถ้าสังเกตจะเดินทั้งวันเลยเพราะว่านั่งไม่ไม่เอาไม่อยู่ก็เดินเดินแล้วก็กระแทกลงซ้นเล็กๆเพื่อให้รู้ตัวก็ก็ยังง่วงอยู่อย่างนั้นแล้วก็ปวดอยู่อย่างนั้นจนแบบไม่ไหวแล้วพยายามจะนึก พยายมจะดึงเหตุการณ์เมื่อเช้ากลับมาใช้อีกรอบแต่ทีนี้สู้ไม่ได้คือไม่รู้ว่าใจมันไม่พอหรือว่าไม่ยอมสุขคือไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอาจจะแบบว่าชล่าใจว่าฉันเคยทําได้ที่ว่าอะไมันมีผลมากบรรยากาศที่ชมไปอะไรมากนัวันนี้อ๋อเหรอมาณสองถึงสมคือเป็นเหมือนกันหมดพราะปนกับพี่เลดบอกว่าทําไมฉันท้าฉันไม่มีคือปกติเป็นคนที่ถ้าคิดเรื่องว่า ความเพียรเนี่ยเมื่อวานก็เป็นถ้าพูดเรื่องเนี่ยว่าฉันต้องเอาให้ได้เนี่ยมันจะขึ้นมาแรงมากโดยที่แก้อะไรได้หมดเกือ <ge> บจะทุกอย่างวันนี้คือเอาไม่อยู่ <único S 1> <sucked> มีมีอันนึงที่พระอาจารย์พูดถึงเมื่อเช้านี้ที่บอกว่ากรรมแล้วคือเป็นทุกข์ใช่ไหยคะแล้วคายหรืออะไรสักอย่างตรงกลางเนี่ยล้วก็ก็แยามจะมองตัวนั้นคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่า ระหว่างที่นั่งจนเจ็บขาเนี่ยพอลุกขึ้นเนี่ยความหนักมันก็จะถ่ายออกมันจะมีช่วงตรงกลางตรงนั้นนะคะที่เป็นธรรมดาหรือเป็นพอดีหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันไม่ใช่ทุกไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทุกและไม่ใช่สุขแล้วพอพ้นจุดนั้นไปเนี่ยก็เป็นสบายหรือเป็นสุขคือเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรก็ เห็นอยู่ครั้งสองครั้งคือพยายามตั้งใจนั่งเพื่อให้ความปวดมันเกิดเพื่ออยากจะลองดูตรงนี้คือมันมีจุดตรงนี้นิดหนึ่งที่มันเป็นเราเขินใหมมีมีจุดอยู่ตรงนั้นนิดเดียวค่ะที่มันเรียกว่าพอดีพอดีที่มันไม่ใช่ถูกไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกก็ยังตอบ ป, ปัญหาพระอาจารย์ไม่แต่คือใครดูก็ดูก็เห็นนิดหนึ่งตรงนั้นนะคะ คนกิความตั้งใจผมมีมีมีความตั้งใจสูงม า, ในในใากใ น, นาการแค่ทำงานใดๆงานให้รวดเร็วแต่ทีนี้เนื่องจากประสบการณ์ น, น้อยนะความอิทธิพลของสีน้ำกามที่ตัวอหารถ้าเราปรับไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นผลที่ทําให้เปลี่ยนในสิ่งที่ดี้ได้ทันทีเพราะว่ากรรมหมายถึงว่ากายกรรมขนาดนั้นถ้านั่งก็ดีถ้าดานเดินนั่ง เราใช้ขณะนั้นนะถ้าหากเราเผลอไม่ปรับให้สมดุลนะก็จะมีผลให้เกิดทุกขเวทนากรรกรรมเหมือนอะไรมากรมอดีในโคตรกรรมในปัจจุบันเลยถ้าปรับให้สมดุลไม่ได้แต่ว่าก็ยามปรับจิตอันนี้อารมณ์ขนณะนั้นน่ะเป็นไปอารมณ์ปัจจุบันไหมไปตรวจสอบถ้าจิตเป็นอารมณ์อดีตในอนาคตก็จะมีบทต่อประมาทนะปรับจิตให้เป็นอารมณ์ปัจจุบันจิตอุจจุอากาศอันนี้นอกเหนือ ที่เราจะพบคุมได้ก็คือความกนอากาศแต่เราจะต้องเปลี่ยนสถานการณ์เลยก็รว่าวันี้มัมีนนกปีโป๊ะไีมันไม่มีนั่นแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มีอะที่จะควบคุมไมได้เราก็ต้องไปทากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อออกจากอากาศมันรุ่ยไปอย่างันนี้มาดีไปโป่ผมกลาบมาแล้วก็อาด้เรือหายไปมาก็อุตุอาหารวันนี้อาหารมีปัญหาอนะไข่หงเงี้ยค่ะแล้ไข่หงมีปัญหลูกุา อันนีจะได้เมื่อเราใส่การควบคุมดูนั่นนี่เปนเนื้อปัญหาทีไม่น่าให้ดคือเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีคือเป็นจุดอ่อนเลยเพราะว่า1ชอบทานสองชอบทำแล้วชอบลองชอบพิสูจน์เพราะฉะนั้นแพ้ถ้าเจออาหารเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจหนักๆเนี่ยแพ้แน่ๆแพ่ตัวคืออาจจะเอาเป็นเรื่องสุดท้ายให้ให้เห็นจุดอ่อองตัวเองไว้ก่อนให้ไปบอกรพยาทดสอบที่จะลดน้ำนไขถี่จะเป็นปัญหา ทุกคนมีมีจุดอ่อนเรื่องอาหารแท้ทุกคนแต่ถ้าเราเรารู้อันนี้คืจุดอ่อนของเราเราก็ยายามปรับเรื่องอาหารโดยไปแล้วก็มาทดสอบหลายๆอย่างเรื่องอาหารก็รู้ว่ามันเราเกิดเพราะมันเราตายเพราะมันแต่ถ้าเราจะได้ความรู้ก็จะได้แกมันเพราะฉะนั้นคนไหนที่เอาชนะยิ้นได้เนี่ยบุคคลนั้นชื่อว่าได้ความรู้ระดับยอดวิเคราะรู้เลยนะครูนิจจ่าใช้พุทธมันแล้ อุปมาตรงนี้ตรงที่ท่านไปจับภาษาห่ที่สวัส ด, ดิ์ชันที่สิบบอก็่าเป็นตุลพูดธรรมะไอ้แต่คนจริงคือพอท่านไปจะบภาษาอยู่ที่ใกล้ยอดเขาเอเวเรสซึ่งตามกปกติก็จะมีบ้านว่านชาวเขาอะไรอยู่้าไปเป็นแม่แม่ครัวชาวเขาเป็น่อาสาไป เ, เป็นแม่ครัวดูแลโรงแรแล้วก็คุงหารได้อร่อยมาก ที่นี้ในการพิจารณาอาหารได้ละเอียดถี่ถ้วนเรียกว่าเป็นมันดาของความรู้พุทธมาันดาคือความรู้เกิดจากการพิจารณาอาหารถึงสามวาระเนี่ยถ้าเราพิจารณาอาหารลดอาหารได้เราจะได้ความรู้ตรงนี้เยอะมากๆเลยมีพุทธวัตรรูกตอนหนึ่งใ่มว่ามีพระสองรูปไปเป้าพุดดต้ตรงตอนนี้เป็นช่วงที่ชั่วเช้าของวัในใฉัน เหตุนั้าพสองรูปที่เปรี้เนี่ยเป็นเืินทางมาใกลไกัก็แล้วี่ไห้มาเพราะอนิสระมินทบาททุนนั้นให้พระสององค์นะแต่พระองค์หนึ่งพี่แจ้งอ้พรองค์มีมหาพลาขนาดนี้ถ้าเกิดความตื้นใจพระกุฎราชันะไม่ควใช้อาหารไปบำเพ็ญต่อแต่อีกองค์หนึ่งวิวเดที่ฉันเต็มที่เลยมบ้านเลยรากฏว่าพระองค์ที่ว่าเกิดปีติว่าพระองค์มีหาวนามอบอาหารให้ได้รูเปรี แล้พิจารณาแล้วก็จีบโงหนึ่งไม่ได้อะไรเลยนะจินเป็นหมูไปเลยเ ร, ร, ร, ร, ราได้บรรลุธรรมดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องลดอาหารมีมีมีอิทธิพลมากนะมีอิทธิพลมากดังนั้นถ้าเรารู้ว่าอาหารเป็นจีบโง่เขาก็ลดาหารไปเถตรงนั้นนะต้องใช้เป็นอวบายในการที่เขาถึางรทุกครั้งที่จะทานอาหารเราก็จะพิจ า, ารณ า, าระ้วกทานคือมันอยากจะทานอันนี้กปจะไปทานเพราะเราทดสอบดูกระด้ดาง พ่านี้อาหารเยอะแต่านได้เตที่มันนี้ก็ออาากืองอการทาเยอะเราจะทานไห้ไม่ต้องทานแาาเอของมันาที่แก็ก็ดดที่ใส่ดดสัดชนดานาค้ า, ด า, ดดางดัดสะดากีเด็เล่นๆนะมันีเห็นอาฮะอาารแล้วก็มันเคื่อวักเลยเพื่อจรู้วอะไรเป็นไลักษณะ น, นี้เราจะต้องรอล่นกับกีเด็นั่งยังให้กีเด็กลมิีหัวชเราเบาๆมันมันไม่ไม่สูงศัก์สีมันไม่สูงศักสีเพรักปฏิบัติให้กีเด็มลมจีบมาเล่นเรานี่ะเราจำแยงมาเล่นบ้ามัน เอ้ยนเองรอหอครับคือเรา่องทำกับข้าวมันเป็นงานอดิเลกด้วยเออใช่เก็เลยแบบชอบลองชอบดูเดี๋ยวปรับค่ะต้องปรับอีกปรับนะปรัไมฮะิสานอ้าวพีกลับนมาจการหลวงพ่อและท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีพูดร่วมร่วมทำนะฮะไม่ทมัเอาใฮัลโหลฮัลโหลฮะฮัลโหล มันมันวันนี้จริงๆแล้วนะยังยังเหมือนกับยังปรับไม่ได้นะคือข้างนอกนี่ไม่ได้พิจารณานะถ้าเข้ามานี่ปุ๊บพิจารณาทันทีต้องปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนนะคะคงต้องคิดใหม่เลยคะอันนี้รู้สึกจะเป็นจะจะติดเนี่ยถ้าว่าถ้าบอกว่าอเดี๋ยวผู้ปฏิผู้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไปเข้าห้องเรียนซะก่อนถ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะแต่ว่าถ้าออกไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยค่ะเป็นคล้ายๆเป็นปุตชชนนะ เนี่ยยังยังยังยังยังไม่ได้ยังเป็นยังเป็นโยมเตี้ยค่ะค่ะถ้าเข้ามานี่อนิยะเลยปฏิบัติเคร่งครัดครึมมันมันรู้สึกรู้สุรู้สึกว่าใจยังไม่ได้นะที่ไม่ไม่ยังยังยังยังยังไม่มีไม่มีความละเอียดพอนะแต่ว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องทำแหละแต่ถ้าออกไปปุ๊บข้างนอกเนีหัวล้อล่าเลย ก็กือ เ, เสียข้อเนี้นะแต่วันนี้พยายามทําความรู้สึกอะนะคะก็แบบเพราะว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะรู้สึกกับตัวสักเท่าไหร่อ่ะส่วนมากจะคิดฟุง้งเฟ้อนะฮะกนะ็วันนี้ก็พยายามน ะ, ะแต่ก็ไม่ได้คิดไปข้างนอกนะก็มีแต่ว่าทําท่าแล้วก็พยายามเพราะว่าคุณเล็กเขาบอกว่าให้พิจา ร, รณาอค่อยๆพิจา ร, รณาเนี่ยจะเจ็บปวดอะไรก็ได้ได้นิดๆนะไม่ได้แต่ได้ความสงบ จะได้สงบมากกว่าสงบสงบนิ่งนิ่งสงบอืมค่ะก็ง่วงนะงกไปสองสามปีนี่กันนะตื๊ดแล้วว่าตื่นขึ้นมาก็ก็ก็ตื่นนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านอนหลับเลยอ่ะค่ะไม่ไม่เยอะเยอะนะค่ะไม่ไม่ยืดเยอก็ไม่ได้คิดนะไม่ก็คิดที่ว่าอาจารย์บอกว่าที่ให้ดูว่าเอ๊ อะไรย็นล้อนอ่อนแข็งอะไรว่าเวลาเดินก็ให้เนี่ยก็คิดนะเวลาไปดูกับจังหวะมือปุ๊บ ก, ก็คิดว่าเอ๊ะค่ะคิดเยอะอยู่นะค่ ะ, คะไม่ไม่ทราบเนี่ยไม่ใช่มันก็ดูจากอันเนี้ยจากยกยกมือเนะี่ยก็ไม่ได้ไปคิดข้างนอกน ะ, ค, นะค่ ะ, คะ ไม่ใช่ก็พยายามนะว่าเอว่าเราจะทำยังไงมันถึงจะได้นะก็ต้องดูว่าเดินเอนอเนี่ยเดินดูร้อนอ่อนแก่มันก็ไปอยู่อยู่กับที่ว่าเวลาเดินคะเวลาเวลาเดินเวลาก้าวอะไรเงี้ยก็ก็รู้ขึ้นนะคะเวลาออกข้างนอกคิดเตี้เลยไม่เวลาออกข้างนอกก็เป็นปุถุชนเลยค่ะถ้าเสียตรงนี้ค่ะสงสัยต้องพูที่ต้องเอาไหม่ต้องเอาใหม่น่ะไม่ว่าป ไม่รู้มันเพราะเป็นเพราะว่าเป็นบรรยากาศอะไรเงี้ยไม่ทราบว่าถ้าเข้ามาในโรงนี้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องปฏิบัติเงี้ยถ้าออกไปปุ๊บก็แกไม่ทราบไม่ทราบอาจารย์นอนหลับว่าตอนคืนคุยกันเหมือนกับไม่ได้มานั่งปฏิบัติตามไม่ใช่เพราะว่าคุยอยู่ในห้องไงฮะก็คุยกันไม่ปรึกษากันนะคุยปฏิบัติว่าคุยเรื่องปฏิบัติว่าคุยกันคุยเหมือนกับคุยธรรมดาว่าทํำยังไง จะจบเลยคือให้บรรยากาศข้างนอกห้องกับในห้องเป็นบรรยากาศเดียวกันถ้ามาข้างใน้เป็นผู้บชลข้างนอกนป็นชน <c oughs> ด้วยแล้วน้เป็นอยะอกเสนอายะด้วยี่ใกันมันใช่รืองว่าสรวมค่ะสำรว ม, รวมยังยังไม่สำรวมหรอกะเี่บรนะออรอารมณ์ไปเรืยย่อแล้วกลับมาก็เหมือนเดิมก็เราไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ปลีนไปที่ไหนมาออีกค่ะ มพอมปไปีไปเามาอไแต่ถ้ามันออกปมันไม่หุดอติะสงสัยต้องแบบไม่มีสมา ค, คมแยกตัวกรนีน้ิมก็ะลกร่เไม่ได้เวานสาขานะ่รกกรมวานเมื่อนนัน่ะการนมัสการพระกุณเจ้า วันนี้ยอมก็อ่าก็โอเคหลวงพ่อแต่ว่าตื่นเมื่อเช้านี้พอหลวงพ่อบอกว่าต้องเช็กดูม่านตานอะเมื่อเช้านี้ม่านตามันเบาหลวงพ่อ <c oughs> มันก็เลยตื่นตีสามครึ่งแล้วก็เบาปกติมาวันแรกนี่โอ้แบบว่าไม่อยากจะตื่นเลยท่านแบบว่า ตื่นฟื้นตื่นขึ้นมาแต่ตาไนี่ยังหนักยังแสบอยู่นะแต่วันนี้เมื่อวันเมื่อเช้านี้ม่านตามันเบาเหมือนหลวงพ่อพูดไว้นะเจ้าค่ะก็ตีสามครึ่งก็ลุกมาก็ทำออกกำลังเบาๆบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆดูเวทนาตัวคอที่มีปัญหาเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้มันเกิดอาการอาภาษ์ขึ้นมาโดยกระทันหัน ก็ไม่ได้ทานยานะตั้งแต่มานี่ไม่เคยทานยาเลยนะสบายเลยก็ดูมันก็อยู่เป็นปกติแต่วันนี้ไหนมันก็ลองดูซิลองทานยาหน่อยซิมันจะเป็นยังไงก็ลองทานยาไปเม็ดหนึ่งได้เรื่องเลยหลวงพ่อกลับมาเอ๊ะทาไมตัวเราหนะักง่วงหลวงพ่อยามันทําให้ง่วงตอนแรกก็ไม่ทราบว่ายานี่ทําให้ง่วงก็เฮ้ยทำไมเราง่วงหล้วไม่เคยง่วงขนาดนี้ เลยนึกถึงหลวงปู่นึกถึงพ่ อ, อโอรสว่าโอ้ความม่วงมันเป็นอย่างนี้นะเขาถึงโอ้โหม่วงแบบเันนี้ว่าจะแบบวูบจะจะจ ะ, จะล้มฟาดไปเล ย, ย ไ, มไม่มีทานก็มีปัญหาไม่มีมีไม่ทานยาก็มีหลวงพ่อมีจะหันนี่ลำบากจะก้ม น, นี่ลำบากเงยนี่ นี่เนี่ยนึกเ่อมานั่งเมื่อกี้นี่ก็ฉีดค่ะบทมันจะพยศขึ้นมามันพยศมาไม่บอกเลยค่ะหลงพ่อเสร็จแล้วก็พอดีก็พอง่วงก็ง่วงโอโ้โหมันเหมือนจะหน้ามืดลงไปก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นก็เลยเดินไปหาเห็นท่านอาจารย์สงกรานท่านเดินจงกรมท่านหยุดยืนอยู่ท่านสะบัดเนื้อสะบัด ต, ตัวท่านก็เลยง่วง เดินไปหาท่านดีวกว่าเดียวหายง่วงไปคุยกับท่านเดินเข้าไปแก้ง่วงพระอาจารย์ท่านง่ว ง, บ, งบ้างหรืล่าบอกไม่ง่วงหรอกโยมแบบคอปวดคอเอา้าปวดเหมือนโยมเลยคิดใ <c oughs> <c oughs> เลยเบอกเออแต่โยมง่วงนะ <c oughs> พอแค่นี้โยมก็กลับมาแค่นี้สว่างโล่ลพอความง่วงหายไปปิดทิ้งเลยอาการที่กินยาไม่มี <c oughs> ก็เลยเดินจงกรมต่อไปเดินจงกรมไปอ่ะ เหลือไปเห็นหลวงปู่หลวงปู่ท่านหลวงปู่ก็เลยบอกว่าอ้าวท่านบอกว่าให้ทุกข์ให้หน่อยบอกงี้นะไม่ต้องเกรงใจเลยก็อบอก เ, อเห็นหมอเล็กๆไปฟาดพระนี่จะบาปไปเนาะคิดในใจกนะ็ <laughs> เดินก็พอเห็นหลพอมองหลวงปู่ปุ๊บหลวง ประธานโทษเรียกท่านหลวงปู่จนติดละหลวงปูก่ก็นึกอยากจะหยิบหมอนแต่พอจะพอมาดูใจปุ๊บไอตัวนั้นมันก็หายไปอีกอ้าวก็ลืมหลวงปู่อีกพอมองไปไปเห็นหลวงปู่อาจจะหยิบหมอนนึกหยิบหมอนอีกแล้ะพอมาดูใจอ้าวมันก็หายอีกละสามทีไม่ได้ตีหลวงปู่เลยก็เลยไม่ได้ฟาหลวงปู <c> ่ก <oughs> <c oughs> ็เลยบอกอ้าหลวงปู่เดินมาหาเองก็เลยบอกอ้าหลวงปู่เดินไปข้างนอกนะไปเดินอยู่ข้างนอกไปบอกงี้ ก็เลยบอกเออนี่มันก็เป็นเนี่ยนะก็ก็ ก, ก็ก็คงมีแค่นี้หลวงพ่อวันนี้นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอรบทก็เลยขึ้นไปพักอยู่ข้องบนสักชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอาน้ำแข็งไอซ์แพคที่เอามากับฮีทแพดมาประครบไว้ก็ก็ผ่อนคลายก็ค่อยช่วงก็ก็พอพอจะทนได้อยู่กับหลวงพ่อ จางปิงมีคำถามเลค่ะนอก็มีอะไรนะนอก็มีคำถามเขาถามอะไรพี่เตี้ยบอกว่าได้ความสงบหนูไม่มีความสงบเลยตัวอย่างเดียวทอย่างนั้นก็ไม่สงบคือถ้าเทียบเทียบกับว่านั่งสมาธิตามวิธีปกติคือนักตาอย่างนั้นพอได้แบบตั้งแต่มาเนี่ยค่ะรู้ตัวได้อย่างเดียวแท่งสงบเนี่ยไม่มีเลยแล้ว ถูกต้องแล้วที่ไม่สงบถูกต้องแล้วเพราะว่าความสงบมีสองอย่างหนึ่งสงบจากอารมณ์สองสงบจากกิเลสถ้าจิตตื่นรู้นั่นเาเรียกว่าจิตสงบจากกิเลสแต่ถ้าเราเข้าไปในความสงบจากอารมณ์อันนั้นเรียกเป็นสงบแบบที่หินแทบยามันจะเป็นอาสวะตัวหนึ่งแล้วเราจะเสพก็คือว่าอย่างที่ถ้าไม่สงบมันคือไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดเขาให้ตื่นรู้ให้แน่ยชัดว่าตื่นรู้นะคือหมายความรับรู้ทุกๆส่วนของร่างกายในชัดเจน ตามความเป็นจริงโดยที่จิตไม่ปรุงต้องชัดเจนตรงนั้นด้วยว่าจิตคือไม่ไม่คิดเรื่องอะไรอื่นมันรับรู้ต่อปัจจุบันขณะที่เกิดเนี่ยตามความเป็นจริงมันอาจจะหนักจะเหนื่อยจะเจ็บจะอะไรตามแต่ว่าไม่มีจิตไปงุนงงลาคาญกับมันรู้มันเฉยเฉยก็มีเป็นช่วงๆก็วันนี้มี่เล็เรื่องเดินะกลคือว่ารู้ตัวเท่าพอมือเท้าเนี่ย่ท้องผิรู้ใช่ตัวก็ยังรู้ก็ยังคิดไปได้ด้วยนี่ คิดไปได้ด้วยนั่นคิดในลักษณะแต่คิดปรุงไปไะ น, นะฮะอันนั้นก็ถือว่าถ้าปรุงไปแวบ๊แวบๆไม่เป็นเรื่องไปแราวใช่ไหมก็ยังมันใจเป็นเรื่องต้องรีดหยุดก่อนเพราะฉะนั้นสงบจากอารมณ์หรือสงบจากกิเลสเป็นตัวสงบจากความคิดปรุงแต่งเป็นตัวสงบที่เราต้องการนะแล้วจิตมันจะตื่นรู้แต่ถ้าเรามันยังมีความความคิดปรุงแต่งเข้ามาเป็นพักๆอยู่อันนั้นก็สงบยังไม่สนิทเตียวตัวตืวตวตวตว่นรู้ยังไม่เต็ม อ่าหมายความตัวตื่นรู้ขขาเยจะไม่มีพลังพอที่จะให้มันมันสงบจากการปรุงแต่งได้เพราะมันอย่างพรนะ้อมกันตื่นรู้ตัวเนี่ยอ่และทาก็ยังรู้กองตแล้วหัวก็ยไปปรุงเรื่องอะไรได้อีกอ่าเพราะฉะนั้นตัวตัวตื่นรู้ที่มันมีอยู่เป็นระดับกายระดับยังส่วนกายแต่มันจะต้องสงบจากเวทนาด้วยสงบตัวในจิตด้วยสงบทั้งสี่ขั้น อ, อ่า สงบแต่กายบางทีเวทนาใหญ่็นนั่งแข็งตึงยังมีอยู่ใช่ไหมบางทีไม่มีสงบทางเวทนาเย็นนั่นเขไม่มีแต่จิตยังแอบไปปรุงได้อยู่สงบระดับที่สามยังไม่มีบางทีจิตสงบดีแต่มีอารมณ์ชอบไม่ชอบขึ้นมาระดับที่สีก็ยังไม่สงบเพราะสงบเป็นสี่ในระดับเพตอะนั้นส่วนใหญ่เลยวนี้ระบบที่สงบที่กายกับเวทนาจิตกับอารมณ์ไม่สงบบางคนจิตอารมณ์สงบแต่กายกับเวทนาไม่สงบแต่เรามุ่งที่ให้ จิตกะอารมณ์สงบแต่กายเวทนาไม่จำเป็นต้องสงบเพราะมันเป็นตามธรรมชาติของใจรของมันแต่ว่าเดินได้โดยที่รู้ตัวแต่งกับเท้ากระทบเนี่ยโดยที่ไม่มีคิดเนอ ย, ย่างพอ้อมบ้างแต่<ห><ห>ไม่ได้บ<ห>ตลอดนะที่มันเป็นวัแล้ว<ห>ก็ให้รู้รการปรุงแต่งไหนที่<น> <ๆ S 2> เรารู้การปรุงแต่งนั้นมันก็จะกลายเป็นตัวรู้ไปเลย<ห>นะแต่ถ้ามันยืดไปจนกระทั่งว่าเราลืมอันนี้มันก็กลายเป็นตัว ตัวหลงไปละตัวสังขารไปลวแต่ถ้าถ้าการ<ม>เกิดการปรุงแล้วรรู้อันนั้นไปเป็นธรรมดาอ่ามันมันจะเกิดดับอยู่อย่างนั้นของมันมีทุกอย่าง<ห>า ม, มีทุกอย่างทรู้ทั้งหลงมีครบเลยโดยเฉพาะให้รู้ว่านั่นนั่นคือนไปเียะเอารมณ์ตั้งมันดีๆก็คื อ, อ, อก็คือูตัวแล้วก็หุดอาตกลับมาเอาไพักมันก็ไปอมใช่สลับไปเรื่อยแต่เรารู้ทันทุกครั้งใช่ไ้มที่มันไป รู้ทันได้ไวทันรู้ทันเร็วกับรู้ทันช้ารู้ทันเร็ว it บางครั้งรู้ทันเร็วบางครั้งรู้ทันช้าใช่ไหม <Course. S 2> ก็ให้รู้แล้วต่อไปปรับตัวรู้ <ham. S 2> ให้มันเร็วขึ้นต้องการให้ <ท Das S 2> เกิดรู้เกิดปรุงแต่งปั๊บรู้ปุ๊บปรุงแต่งปับรู้ปุ๊บมันก็จะเป็นธรรมดาของมันที่มันจะเป็นตัวสภาวะที่เปลี่ยนมาพอรู้ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวรู้ถ้าเผลอปั๊บมันก็จะเป็นตัวหลงพอรู้ปั๊บมันก็เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้อย่างงี้สลับกันไปอย่างนี้ มันก็เป็นการเตืบโตของของตัวปัญญาอ่าบนเร็มแรลมมันยัง เ, เป็นอย่างนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามาแล้วไม่ค่อยมีแอไอแลอ น, นถึงว่ามันไม่ค่อยรู้ตัวชัดๆเยอะๆอย่างอย่าง อ, างอาธิบายไม่ถูกคำว่ า, าแมันไม่ค่อยมีคือการตื่นรู้ที่เต็มที่มันก็คือรู้สึกโปร่งเบาสบายไม่มีความคิดอะไรเข้ามารบกวน นั่นความเต็มของความตื่นรู้เต็มที่คือรู้สึกโปร่งเบาสบายเรื่องจะออกมาเป็นปิติในในสัมมนาชงนะก็พยายามมีจุดนั้นบ่อยๆแล้วจิตของเราจะมีกําลังขึ้นมาเองแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าความสงบในระดับลึกมันไม่พอมันก็แกว่งออกไปปรุงแต่ข้างนอกได้อยู่ตัวนั้นก็อาจจะความเบาสบายก็ยังไม่เกิดนะแต่ต้องพยายามไปหลายๆครั้งก่อนมาทำไปบ่อยหลายๆครั้งจนเกิดความชํานาญเกิดทักษะขึ้นมา ทีนี้ในอส่วนที่จะวิเคราะห์ต่อตรงนี้นิดนึงคือว่าในการที่ทําไปแล้วรู้สึกมันไม่ได้อารมณ์หรือว่ามินเวทนามากเนี่ยถ้าปรับแล้วปรับอีกมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะก็แสดงว่ามันมีปัจจัยข้างนอกเป็นตัวแปรเราเราเปลี่ยนกิจกรรมไปเลยอาจจะลุกไปทําอะไรสักพักแล้วกลับมาใหม่ก็เลยปรีเฟรสใหม่ถ้าเราซิ้วต่อนี่มันมีแต่สถานการณ์ยิ่งแย่ลงก็ต้องต้องไปเปลี่ยนสถานการณ์ <Okay. S 1> อ่า แต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นหมายความว่าเวลานั่งแล้วรู้สึกเวทนาไม่รบ ก, กวนแล้วก็ให้สังเกตละเอียดลึกลงไปอีกว่าขณะที่เวทนาไม่รบ ก, กวนจิตเป็นยังไงจิตสูงออกหรือเปล่าวันนี้เท่าที่สังเกตนะก็วิเคราะห์ตัวเองเหมือนกันขณะที่ตามรู้บำบัดพยายามตอนแรกบำบัดเวทนาทางกายให้ให้หายก่อนบำบัดพอเวทนาทางกายเบาบางแล้วทีนี้มาดูจิตเป็นไง รู้ว่าพอมันจะเผลอเข้าสู่ตัวคิดปั๊บเนี่ยพอออกจากตัวตัวตัวมีความคิดเข้ามาปั๊บมันจะเข้าสู่ตัวสงบเลยแล้วตามันจะหลับดโดยอัตโนมัติพอรู้ตัวเอาตื่นขึ้นมาเอาตั้งท่าใหม่ดูทวนไปทวนมาทวนไปทวนม า, นมาหลายครั้งอ๋ออันนี้ทางของมันคือจิตของเรามันมีสองลักษณะจิตที่ตื่นเขาเรียกจิตอา่าเรียกว่าไมเคิลเชียสคือจิตตื่นรู้ กับจิตที่ามาแอสซับคอนเสียดคือจิตใต้สํานึกกับจิตรู้สํานึกมันมี2ตัวใช่ไหมจิตรู้สํานึกเดี๋ยพยายามที่จะลําดับพอกําลังของสติเนื่องจากพอเรานั่งไปนานๆเนี่ยเลือดลมของเรามันมันหย่อนยานใช่ไหมกำลังของไอซีไม่พอสติกําลังกําลังของสติก็จะอ่อนไปด้วยเพรา ะ, ะนั้นวิธีคือคื อ, คอปรับไอซีให้ให้เข้มแข็งขึ้นแลเปลี่ยนยาบทให้มีพลังขึ้นมาไอการที่นั่งนานๆเนี่ย อีซ uh, e. uh, ีของเราจะอ่อนเพราะว่าการเลือดลมการไหลเวียนของเลือดลมมันจะหนืดเหนียวและช้ามากแล้วก่อให้เกิดกำลังของสติสมาธิอ่อนไปด้วยมันก็จะเข้าสู่ตัวผวังฆะคือจิตเข้าสู่ตัวหลับไหลโดยไม่รู้ตัวนี่พรมเขาจะปิติกันตรงนี้เขาเรียกเข้าสมาธิขั้นลึกแต่เป็นมิจฉาสมาธิมันจะไปเกิดการตื่นรู้และวมิจฉาสมาธิในนี้แทนที่มันจะเป็นมันจะใช้ไม่ได้ในองค์มรรคคือนําไปใช้ในการขัดเกลากิเลสไม่ได้แต่มันจะก่อให้เกิดอาสวะตัวใหม่ แต่มันจะลำดับไปตรงนี้ว่าเมื่อเราเพลินเราแช่อยู่ในอิบูไดานานๆเนี่ยเวทนาทางกายอาจจะสงบจริงแต่จิตของเราไปเสพความสงบเพราะการสงบของเวทนาพอไปเสีความสงบปับ๊บมันเกิดจิตเข้าสู่ผวังเข้าสู่อาการสงบแล้วเข้าสู่การหลับหลับตาปิ้งเข้าไปเลยทีนี้พอเรากําลังสังเกตมาอยู่ อ, อ๋อมาถึงตรงนี้ได้ไงตื่นเข้ามาใหม่ลำดับเข้าไปใหม่ ซ้อมไปสมอตรงนี้เองเหตุเกิดของอาสวะมันอยู่ตรงนี้เองแลยจะออกยากมากแล้วคนปฏิบัติในสมถะถึงไปอริยภูไม่ได้เพราะไปเสพตรงนี้ก็เป็นเป็นไปเสพตรงนั้นเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เรียกไปถึงโผลมได้แต่ว่าไปถึงอริยะไม่ได้เพราะว่ากําลังอินทรีย์ไม่พอวิธีการของเราที่ใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันถูกแล้วคือพยายามปรับอินทรีย์ให้ทั้งกายทาั้งจิตนี่ใส่กัน เพรว่าถ้าไม่ถามตัว น, นี้เดี๋ยวยลวงลืมเคยเสียเลยาา่ายถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปติดอตรงที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าผู้ปฏิบัติไม่ไปติดตรงนั้นหรือว่าไปแค่พรมถ้าไม่ติดทำยังไงหลวงพ่อที่จะว่าที่พูดปฏิบัติตสมถะมาแล้วจะใช้สมถะให้เป็นวิปัสนาตรงนั้นต้องต้องมีความพยายามอย่างต้องมีการยนานมิตรขอช่วยเหลือ นะมีการิยมิตรบอกว่าเอออันนี้มันมันทางแต่ไม่ใช่ทางหลวงพ่อเทียนจะใช้คํานี้นะแต่นี่เป็นเทินทางของสงบแต่มันไม่ใช่ทางของวิปัสนาของวิปัสนาต้องปรับอินทรีย์ให้สมดุลอินทรีย์มี2ระดับอินซียรูปมีอยู่5มีอยู่หใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อินทรีย์นามีอยู่5เสียทายริยาสติมม 5. สมัมผัสปัญญาปรับทั้งอินรีย์รูปอินซีนามให้สมดุลกันคือปรับให้กําลังของอินซียรูปมีการปรับเปลี่ยนอเยบท เพื่อท่าสีเขาจะทํางานเต็มที่ใช่ไหมแล้วมันก็ไปทำให้สีหนาหมันเข้มแข็งขึ้นมาซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีประสบการณ์ท่านั้นต้องอาศัย ก, รย า, ยการานามิตรครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือแ ต, แต่แต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ท่านสําเร็จทางนี้จากทางนี้สมรจักขึ้นไปแล้วเข้าพุทธศสนาก็มีอย่างพิโยกก็มีนั่นหมายความว่าปัญญาท่านเกิดขึ้นมาหลังจากเกิดตัวปัญญาท่านคลิกขึ้นมาตรงนี้ท่านใช้คําว่าวัสนาคือหมายความวัฒนาย์ที่ท่านจะออกจากตรงนั้นได้ มันก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาศัยกิริยามิตรแต่ว่ากิริยามิตรคนนั้นจะมี อ, อิทธิพลหรือมีกําลังพอที่จะผลักตรงนั้นได้ผู้ปฏิบัติต้องเกิดศรัทธาด้วยถ้ากิริยามิตรผู้ปฏิบัติไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถจะช่วยได้เหมือนกันแต่พระหรือผู้ปฏิบัติบางคนมีวาสนาที่จะออกจากตรงนั้นได้มันคลิกขึ้นมาเองเกิดปัญญาขึ้นมาเองก็สามารถเปลี่ยนจากฐานของมิจฉาสมาธิมาเป็นสมาสมาธิได้คือสมาธิของการตื่นรู้ เป็นสมาธิในองค์มรรคซึ่งจุดนี้สำคัญมากเลยในในเมืองไทยเราเป็นตรนี้เยอะเ่ราะเรนับถือพุทธศาสนาใช่ไหมเต็มไปได้วยเหตุผลแต่ทําไมจึงเต็มไปได้วยเรื่องอย่างที่เราเห็นเป็นพรามหมดอะเรื่องคลางเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องพลังเรื่องอํานาจเรื่องอะไรมันไปทั้งหมดเกนต์ที่เหลือพุทธศาสนาประมาณสักสิซ็นตจะได้หรือไม่เนี่ยตรงนี้เองมันก็เลยค่อนข้างจะรักษาพุทธศาสนาไว้ไม่ได้ นะ ก, ก็ถูกโลทุกทีถ้าหากว่าเมื่อไรพุทธกกลายเป็นพราหมณ์ก็อิสลามก็มาโลดทิ้งทุกทีตั้งแต่อินเดียเป็นต้นมาพนะม่าก็ทำท่าจะถูกทิเบตมองโกลโดนมาทั้งนั้นนะแต่สมาธิการตื่นรู้แบบเซนอย่างจีนเกาหลีปุ่นเนี่ยทำเขาไม่ได้นะอิสลามทําอะไรเขาไม่ได้นะแต่นอกนั้นเทร ว, วาศโดนหมดเพราะว่าเราไปติดสพปรหมณนะอันนี้สาเหตุส่วนหนึง่งเพราะว่าเขาเขาเขาใช้วิธีนั้นนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราแยกไขในเรื่องนี้ เพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญคือช่วงไหนที่ได้อารมณ์เนี่ยอย่าไปเสพถ้าเสพปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอาสวะมันก็ไปติดแค่ความสงบแต่พอพอได้อารมณ์ปับให้เลี่ยงเลี่ยงทางว่าจิตของเรามาสู่ตรงนี้ได้อย่างไรกลับออกมาใหม่กลับออกจากอารมณ์สงบใหม่มาตั้งต้นใหม่ให้เข้าไปสงบอีกครั้งหนึ่งเห็นทางความตื่นรู้ไปสู่ความสงบพอเห็นทางตรงนี้บ่อยเข้ามันก็เลยเห็นอาสวะอ๋อตรงนี้เอง นันใช้ความว่าใช้คําว่าตัววิปัสนาญาณตรงนี้มันจะทําหน้าที่ในการทวนท่านใช้คำปัจเจกขณะญาณที่ทวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตั้งต้นเริ่มต้นถึงรู้ใหม่เอเข้าไปสู่ขวังหลายหลายรอบเข้าหลายๆรอบเข้าจิตมันเกิดการฉลาดขึ้นมาอ๋อตรงนี้เองถ้าจิตไม่เกิดปัญญายาณตรงนี้ขึ้นมามันไม่ฉลาดรู้มันก็จะไปตัดสินตัวนั้นว่าเป็นเป็นทางของมรรคมันก็จะพลาดนะ นั้นเรื่องของการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราต้องวิจัยธรรมวิจัยย่ต้องเกิดถ้าสติถ้าธรรมวิจัยย่ไม่เกิดเราก็ได้แค่สติปฐานสี่แต่ไม่เลื่อนไปเป็นสู่สัมโพชงมันก็จะเป็นวิปัสนาไม่ได้ตัวสัมโพชงเป็นตัวฐานที่เปลี่ยนจากสติปฐานนี่เป็นได้ทั้งสมถะวิปัสนาแต่ตัวที่ตัดสินว่าไปเป็นสัตว์ต้องไปสู่สัมโพชงเพราะสติปฐานแค่สติสัมโพชงคนละตัวเลยนะนะพอสติสัมโพชงนี้จะเกี่ยวข้องด้วยนามหรือตรงแต่สติ ประธานนั้นจะเป็นทั้งลูกทั้งน้ำช่วยแจงและเอียดของสมผัสชงดูอะบ้างหโอ้อันนี้ยังไม่ถึงเวลาแจงไปถึงก็สับสนเพราะนั้นสติสัมผัสชงโดยนัน้นหมายถึงสติสัมผัสย่าล้วนเลยนะตรงนี้สํยาคัญเพราะนั้นเราถึงกล้าทําเรื่องของธรรมวิชยะที่จะแจงกันตรงนั้นว่าถ้าเกิดสติสัมผุสชงแล้วธรรมวิชย์ยะต้องเกิดคือสามารถต้องทวนแจกแจงอาการธาตุขันของตัวเองได้ แล้วมันจะสามารถแยกตัวรูปกับนามได้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นต้องทำบ่อยๆทำให้ชำนาญจนเป็นวั ส, สีจนเป็นทางของจิตถ้าไม่ชำนาญในโอกาสที่กาเริบ ม, มันมีถ้าว่าอาสวะมั น, ม, นมันเหลือใช่ไหมอาสวะมันยังไม่หมดเพราะอาสวะไม่หมดไอ้ดวถ้าเราไม่ชำนาญปั๊บหลงลืมปั๊บกิเลสกาเริบ ซึ่งอมาทําให้เสียเวลาบางทีเราปฏิบัติมาตลอดชีวิตมันไม่ไปไหนเนี่ยไม่เสียดายเวลาเพราะฉะนั้นน่ะมาก็เลยมาทําการวิเคราะห์หลักสูตรทําลักษณะอย่างเนี้ยเพื่อที่จะให้เราได้ไม่เสียเวลาเพราะคนในยุคของรุ่นใหม่รุ่นเราเนี่ยถ้าไม่เห็นชัดเจนจริงๆนะเขาเขาไม่รับนะเพราะว่ามันฐานทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์หมดแล้วออกมาอย่างนี้เขาเดินทางได้ครึ่งทางแล้วเทียงเด็ดต่อยอดคือเอาตัววิปัสสนาไปใส่เขาเขาจะไปได้ได้เร็วมากเลยนะ นั้นวันนี้เราได้ทำการวิเคราะห์และก็วิจัยตามที่เราตกลงไว้แล้วขอให้เอาไปคืนนี้ขอหน่อยว่าเข้านอนแล้วอยคุยกันนะได้นะแต่คนดางนอนุมใจหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> พราะไปวิเคราะห์ต่อนี่มันไปเสียอารมณ์วิเคราะห์ต่ อ, อวิเคราะห์ตรงนั้นแต่ น, นี้มันเสียงไงเสียงที่ทำคอสเนี่เพราะว่าถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติคอนโทรตัวเองไม่ได้ก็จะไปวิเคราะห์ต่อมันจะฟุ้งซ่าน กลายเป็นฟุง้งน่ น, นะ น, งง น, นแท น, น, น, น, น, นที่จะเป็นสำโพยชมนะกลายไปเรื่องฟุ้งซ่นเสียลงเลยตรงนั้แล้วก็ทีนันนอนไม่สนิทนอนไม่สนิทก็จะเป็นฝนเสียอีกวันหนึ่งน ะ, ะมีคาถามเรื่องที่อาจารย์ถามอนเช้า ว, ว่าอะไรคือโทรสัพท์ของการตื่นรู้อูอโยมใช่ได้คำตอบได้ยังไ ด, ได้อะไระะเพล่ลกระเพลนค่ะเพล่กระเพลน่จะเป็นเพลมากกว่า มันก่อนที่จะเผลอมันเพลินี่ก่อนเพลินนั้นเนื่องจากว่าเราไปเสพสุขเวทนาเผลอเราไปเสพทุกขเวทนาอ่าไม่ไม่ใช่คําเดียวกันนะแล้วแต่ไปเสพตัวไหนเพราะเพลินนั้น<ม>เผลนเลพราะเสพสุขเวทนามันออกจะมาเป็นถีนมิทะคือความม่วงเงาแต่ถ้าเผลอเพราะไปเสพทุกขเวทนามันจะออกมาเป็นปุงแต่งฟุ้งซ่านอ่าตัวนี้มันจะพเป็นโมหะอยู่เบื้องหลัง อันนั้นบางทีในตัวสภาวะขั้นละเอียดถ้าเราไม่แยบใครจริงเราจะไม่เห็นว่ามันมาจากอะไรเราจะต้องเข้าไปเข้าเข้าไปาดูตรงนั้นหลายๆรอบถ้างั้นไม่ชัดเพราะนั้นตัวเผลอและตัวเผินมีลากเง่ามาจากตัวอวิชชาสวะนั่นเอง นะที่เป็นโมหะที่เบื้องต้นทุกมันนะั้เป็นอวิชชาสะวะซึ่งมันก็ยากมากที่จะมันก็ต้องเกิดแหละเพลินต้องเกิดถ้าแล้วยังไม่หมดอวิชชาสะวะสตรงนั้นแต่รู้ให้ทันหน้าที่ของเราเอ๋อตัวนี้หรือนะอาตรงนี้เพลินนะแต่ถ้ารู้ไม่ทันเพลินในสุขเวทนาก็ต้องไปเป็นง่วงต้องไปรู้ทันง่วงง่วงระดับหนึ่งสองสามต้องระดับที่หนึ่งเริ่มรู้อ่าระดับที่หนึ่งไม่รู้ไม่ทันระดับที่สองที่สามไปแล้วยาวแล้วทีนี้ มั น, ม, นมันก็มีระดับเพรามันเราจะต้องทันระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถ้าสติสมิญญายเราไม่ได้การฝึกปลือมาพอเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางจะไปรู้ได้เพราะฉะนั้นเองก็ขอให้ไปเฝ้าดูเพราะนั้นเวลาหลับแล้วนอนถ้าคุยกันเนี่ยมันก็จะออกไปไอาการที่จิตออกไปเนี่ยเราก็เถอเผลอแล้วใช่ไหมมันก็จะอยู่ในเผลอเพลินตลอดอ่ามันก็ทําให้เราเสียเวลาตรงนั้นเราะนั้นพยายามนิดหนึ่งนะ ก็คนุโนทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่เราจะได้ทำลายอาสวะกิเลสให้ได้ในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านท